อ <All> ไรอยู่ไหนอ่ะทัอาจารย์ไม่เคยชัดเลยเพื่อนเพิ่งผ่านโบสถ์ฟิสมเมื่อกี้นี้เองนะครักำลังขับข้ามสะพานไปบรรยากาศดีมากๆเลยเพื่อน oh. ติดใจแล้วนะเนี่ยไม่รู้สิฉัมีคนไม่มีอารมณ์สุนทรีกับธรรมชาติสักเท่าไหร่นะมองไปทางไหนมีแต่ภูเขาต้นไม้หมอกลอ ย, อยเหนือยอดไม้ท็ให้กรลอยอยู่ยอดเขาในทำนองนั้นอนะ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกอ้างว้างซะมากกว่าวะประดท้ิตจของฉันยาส่กเท่าไหร่หรอ มันช่วยเศร้าใจซะมากกว่าก็เพราะนายใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ตั้งแต่เกิดนะสินายถึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับธรรมชาตินะอาจจะใช่ก็ได้นะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่กรุงเทพก็ตามแต่ชินกับการมีรถส่วนตัวซะมากกว่าว่ะ <c oughs> พูกคนมีเงินพูดยากนะ <c oughs> ตกหลงว่านายเจอสุหรื อ, อยังยังเลยไม่จะไปหาเธอวันนี้แหละนายก็พยายามไปหาเธอจนได้นะฉันอยากจะหน้าเธออีกสักครั้งหนึ่งเหรอหมายความว่าไง ก็หมายความตอนที่พูดไงไายพูดเหมือนกันว่าไปเจอสุกแล้วจะไม่มีโอกาสได้เจอกันไปชั่วนิดนิรันดรยันไะไม่รู้สิชีวิตคนเรามันไม่แน่นะเพื่อนก็ดูงไงไอ้ศิลป์เป็นไงเคยคิดจะทําอะไรตอนมีอะไรร่วมกันอ่าก็แต่ว่าจะจะจะจ ะ, จะต่ไม่ได้เริ่มต้นกันสักทีนึงแล้วเป็นไงไอ้ศิลป์อยู่ๆเนี่ยมันก็ประสบอบัติเหตุแล้วสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยสักนิดเดียว ฉันคิดแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนี้นะฉันรู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรใครก็ต้องรีบบอกซะก่อนขอที่ฉันจะไม่มีโอกาสได้บอกใครคนนั้นว่ะนายกำลังดั น, นโดดจะไปหาสุขใช่ไปใช่ไปเพราะอยากทาลายงานวิวาของเธอหรอกนะเฮ้เ hey, <N> นกิที่นายมองฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ <laughs> ฉันล้อเล่นนะเพื่อน มากิเออเจ้าคิดอย่างนั้นแหละแล้วคิดว่าจะเจอเธอไหมเนี่ยเจอแน่นอนเราคุยกันทางโทรศัพท์แล้วเหรอใครเป็นคนโทรหาก่อนเพิอเออเธอโทรมาสูนะ้นั่นเหรอโทรหานายอน่าแปลกใจไหอแปลกใจสิไม่อยากเชื่อเลยฉันว่าเธอคิดถูกต้องแล้วพี่โทรหาฉันก่อนก่อนนี้จะเป็นคนโทรไปหาเธอเพราะถ้าร้อยฉันโทรแล้วก็เจ้าอาจจะโทรตอนดึกก็ได้อาจจะโทรตอนที่เธอกับเจ้าอิอจฉาเบาขนาดนั้นอะ กำลังเข้าแถวเข็มกันอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นาขับพูดไปก็ไปไมได้นะเพื่อนฉันว่านายไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนจะรู้จักนายดีขอบใจที่หมองฉันในแง่ดีแต่บางครั้งฉันก็อยากจะทําตัวเละเทะเหมือนกันนะเพื่อนเฮ้ยไม่เอาหน้าอย่าทําอย่างนั้นเด็กขามันไม่ดีแน่เฮ้ยแย่จังเลยนะเวลาอยู่คนเดียวแล้วโดนแฟนทิ้งเนี่ยทําใจนะเพื่อนก็กำลังทําอยู่นี่นะเพื่อนใครไม่ได้ไปเป็นชั้นเนี่ยก็มีวันเข้าใจหรอกว่าโรงพยาบาลในตอนนี้เป็นยังไง จัแย่ป้าๆเชียล่ะฉันเข้าใจดายนะแน่ใจเหรอแน่ใจสิเพื่อนขอบใจที่อุตส่าห์มีเพื่อนเข้าใจฉันอีกอ่ะเออกี่อะไรค่นี้ก่อนนะข้างหน้าเหมือนมีเจ้าหน้าที่บอกรถให้หยุดตรวจนะเออมีอะไรโทรมากอะไรกันนะเพื่อนนะเออสวัสดีเพื่อนสวัดีหยุดดหยยุดหยุข้างหน้าเป็นจุดตรวจมีผู้ชายยืนบอกให้ยุดอยู่สาคนแต่ละคนแบกปืนเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ได้ใส่เสื้อแบบนะแล้ต้องรีบชะลอแหรอ แล้วก็เจาะตรงจุดตรวจในที่สุดเฮ้ย hey, ลงมาดูนี่ลงมาทำไมครับเออนะข้าสั่งให้ลงมาก็รีบลงมาซะไปดงเอาอะไรลงมานะขอทุกอย่างเอาไว้บนรถนะเออหมายขอว่าไงครับพี่อ๋อนี่พูดไม่รู้เรื่องวะนี่คือการปล้นลงมาไม่งั้นยิงสมองกระจุยนะ่ะปล้นเหรอ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เธอไม่นานคนที่เธอนน้นมองผ่านรือยมาอย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีคา่าฉันขอรักษาเธอได้ไหมให้เธอแชร์ความฉันในหัวใจมาให้ฉัน แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไปให้เธอแก็บไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าว i o t e a วันคืนที่เงาเพราะหัวใจสองเราไม่ a n างกันอยาวว่า สัญญาให้เธอได้รูวมันจสักเท่าไรจะไมมีใครความสคและสขูัแคำสัญญาหรูาฉันรักเธอ เข้าข้างตัวเองทุกทีว่าจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝัน ฉันไม่มีที่ว่างอีกไร A call. กำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เอ้ยลงมาเลยแล้วข้าลงมาลงมาลแล้วลงช่วยแล้วก็ชักช้าอย่ยงนห้กับศุนฮะลงมาครับครลงแล้วลงแล้วลงแล้วฮะยกเบิกไฟหลังเดี๋ยวนีครับคยกแล้วครับ เดินไปฆ่าธานินทรเลยครับครับเดิละเดินละเดินละกระเป๋าสิเอ่อเฮ้ยเองคดขอในกระเป๋ากางเกงแล้วกระเป๋าเสื้อมาสิครับลูกพี่เจออะไรมากเหรอมีมือถือแล้วก็กระเป๋าตังค์ครับเอกมาดิครับนี่ครับลูกพี่อืมหันหลังนะเว้ยห้ามหันกลับมาเฮ้ยไปเลยขึ้นรถเว้ยส่งมันไปลงนรกเลยครับลูกพี่เฮ้ยอย่าไว้ชีวิตผมด้วยเถอะอย่าได้ถังเอาไปเลยนะยิงผมเลย เอ็งไม่มีสิทธิ์มาต่อรองนะเว้ยข้าว่าหน้าตาดีๆอย่างเอ็งเนี่ยมันสมควรตายว่ะข้าขอเป็นเพชฌฆาตส่งเอ็งลงนรกละกันเฮ้ย hey! อย่านะเว้ยทำไมล้วลูกที่เดี๋ยวเปิดจะทำให้คนมันดอยได้ยิดเดี๋ยวพวกชาวดอยก็แห่กันลงมาไม่ดีนะไปเลยเว้ยแค่ปลดซอบมันมาแค่นี้ก็พอแล้วไปเว้ยฮัลโหพี่ไปรบขอบกดีเฮ้ยดนี่เอาของข้าคืนมานะ เอาข้าคืนมาช่วยด้วยมีจอดประนรัดผมช่วยด้วยครับช่วยด้วยเวนเนอรไล่กดรถมาจับตัวรถตั้งแต่เองช่วยด้วยเฮ้จอดจดรถผมเป็ล่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับหยุดมาทัทีเลยวะได้เลยลูกพี่ ไล่กดมาเหรองานนี้เอ็งเด้งแน่อุไอ้เวนเอ้ย ช่วยด้วยไอ้โจมมันปอกไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมันยังไล่ตามเราอีกพี่เียวเยอยิงพลาดด้ไวะยิงถูกครับพี่แต่น่าจะโดนหัวไหลเห็นมันเอามือข้างหนึ่งกุมหัวไหลเอาไว้ครับพี่เงินส่งปืนมาดิอยจัดการมันเลยนี่ครับลูกพี่ไปเวยเนยเอเรื่องตายแท้ถ้าโดนยิงตายก็ไม่นเองช่วยไม่ได้เพราะเอ็งรอนหาที่ตายเอ็งดว่าไอ้อ้ ขอความช่วยเหลือโดนยิงพอแล้วนะเองจะลงชื่วยเธอดูก่อนนะมีรถวิ่งผ่านมาแล้วดูสิว่ารถคันนั้นเนี่ยมันจะจอดรับไปส่งโรงหมอหรือเปล่าช่วยด้วยช่วยได้ทรบช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยมาด้วยผมผมผโดนยิงครับวายเลือดไม่เอาไม่ช่วยอ่ะได้โปรดจอดรถพาผมไปส่งโรงพยาบาลทีนะครับไม่ได้ไม่ได้คุณช่วยนายเกิดนายบอกตำรวจว่าฉันทำร้ายนาย ฉันก็ติดคุกฟรีนะสิไม่เอาไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดไป ด, ดีกว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไป อ, อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสิมันจถึเป็นแบบนี้ช่วยเด็ยครับช่วยด้วยพระเจ้า รถอีกคันวิ่งมาแล้วดูสิว่าจะจอดช่วยหรือเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเลยครับช่วยด้วยทำไมไม่มีใครยอมช่วยผมเลยทำไมจะได้แล้วน้ำใจกันขนาดนี้โอ้ยปวดเหลือกินโอ้ยปวดยังไงดี <มา S 3> พระเจเห็นทีเราจะต้องลงไปช่วยพ่อหนุ่มเข า, เาแล้วลนะ่ะนะไปได้สู้เลยเรารีบวิ่งลงไปบนถนนเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้า แน่นิ่งไปแล้วช่วยช่วยผมด้วยครับอ๋อยังไม่ตายพระเท่ามันสลบไปแล้วช่วยกันอุ้มมันขึ้นเกวียนแล้วเวยจบพระเท่ารับชมัดเลย